ย, ยินตอบทุกท่านนะได้ยินหคะด้หัหัวข้อการบรรยายวันนี้อาจจะแตกต่างแปลไปจากหัวข้อการบรรยายทั่วๆไปนะแต่ก็เป็นหัวข้อที่สามารถจะสื่อกับพวกเรากันได้ท้าทุกคน เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย o o k มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราไปแล้วเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่โดยเพพาะคนในเมืองและยิ่งเด็กที่อายุตั้งแต่15บปีหรือว่า20ปีลงไปนี่อไอ้ว่าในมรลชนระบทเนี่ยน้อยคนที่จะไม่รู้จัก Facebook เครือข่าย 3G หรือว่า i ไไปถึงไหนนะที่นั่นก็มี Facebook ที่จริงนอกจาก Facebook แล้วเนี่ยนะมันก็มีโซเชียลมีเดียชนิดอื่นที่ได้เข้ามามีที่ผลต่อชีวิตของเรามากขึ้นเช่นลน์ หลายคนได้คงได้พบว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปนะเมื่อมีเฟซบุ๊กหรือว่าได้ใช้เฟซบุ๊กเพราะว่าอย่างน้อยๆเ น, นี่ยมิสหายที่ไม่ค่อยไม่เคยได้พบปากกันรู้จักกันมาตั้งแต่เล็กเพื่อนที่เรียนมาด้วยกัน สมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาเหินห่างกันมา 20-30 ปีก็ได้มาติดต่อสัมพันธ์กันเพราะเฟซ o o ๊อันนี้พูดจำบุงของคนที่อายุ50ปีขึ้นไปนะแต่สำหรับคนที่อายุน้อยกว่า น, นั้นเนี่ยประโยชน์ตรงนี้อาจจะไม่รู้จักก็ได้นะเพราะว่า มันไม่มีคำว่าพื้นทางนะในหมู่เพื่อนฝูงนะอีกต่อไป Facebook มันก็เป็นปรากฏการณนะระดับโลกนะอย่างที่เราทราบกันดีสมัยที่ออตมาเริ่มใช้ Facebook ใหม่ๆปีห้าสองเนี่ยคนก็ไม่เค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ แต่ว่าพอปี53นี่ก็แพร่หลายกันมากขึ้นแล้วก็ยังรวดเร็วเดี๋ยวนี้ก็กระจายไปยังต่างจังหวัดัม้แ้่ชาวบ้านนชาวบ้านที่ทำนาทำไร่ในชนบทเนี่ยก็มีเฟซบุกกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคงไม่แพร่หลายเท่ากับคนในเมืองเท่าไหร่ ทำไมเฟซบุ๊กถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในยุคปัจจุบันก็มีคำอธิบายหลายอย่างนะประการแรกคือว่าเป็นเพราะคนทุกวันนี้นโดยเฉพาะคนในเมืองเขาเริ่มมีลักษณะของต่างคนต่างอยู่มากขึ้นจะเรียกว่าเหินห่างกันผู้คนมีเวลาให้กักนน้อยลง เพราะว่าชีวิตที่ต้องเร่งรีบหรืออาจเป็นชีวิตที่ต้องแข่งขันันธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะก็ต้องการสื่อสารต้องการการสัมพันธ์กันมนุษย์เราเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกกล่าเปลี่ยวอ้างวา้างแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ว่า ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเลยนะซึ่งมีมากมายในเมืองเนี่ยเราก็ยังรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในเมืองมากนะก็ะคือว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ว่าก็ไม่มีความรู้สึกเชื่อมโยงสัมพันธ์กับใครเลยก็ทำให้เกิดความทุกข์ o o k เดี๋จะเข้ามาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ที่ต้องการที่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในเมื่อมีเวลาพูดคุยกันน้อยลงมีเวลาพบปะสังสรรค์กันน้อยลงในในโลกที่เป็นจริงเช่นในชุมชนนะก็ติดต่อกันผ่านชุมชนเสมือนก็เรียชุมชนเสมือนนะก็คือชุมชนที่ติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ตคนสมัยก่อนเนี่ย คนแก่เนี่ยนะก็ไม่รู้สึกเความเปร่าเผลออ้างว้านอย่างคนรุ่นใหม่หรือว่าคนแก่ในสมัยก่อนเพราะว่าเขามีชุมชนถ้าเป็นคนในเมืองเขาก็พอเช้าหรือพอสายเขาก็ไปตั้งวงที่ร้านกาแฟร้านกาแฟนกนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสถาบันนะก็เรียกเป็นสถาบันคือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิต คนท่าคนแก่ไม่รู้จักทำบ้างเหนาเพราะว่าอพอสายๆเนี่ยเราก็ไปตั้งวงนะที่ร้านกาแฟแต่สมัยนี้ร้านกาแฟก็หายากนะเพราะว่าชีวิตหรือว่าสังคมเมือมันเปลี่ยนไปร้านกาแฟก็มีน้อยลงนะหรือแม่ก็เป็นร้านกาแฟสมัยใหม่แบบสตาร์บัคอะไรเีย นคนที่อยากจะตั้งวงก็มว่าจะไปหาที่ตั้งวงที่ไหนก็เลยก็ไปตั้งวงกันใน a ฟ e b o o k แล้วก็โดยผ่านใน l ล n e ใช่ไหมมันก็เลยเป็นที่นิยมกันเนี่ยนี่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุผลประการหนึ่งนะประการที่สองเท่าคือว่ามุนทึรอนเนี่ยมันก็ก็อยากจะโดยเพราะในยุคนี้นะต้องการอยากจะแสดงตัวตน หรือบางทีเราก็ใช้ก็ประกาศตัวตนอยากทำอะไรก็อยากให้คนรู้นะซึ่งอาการของหนุ่มที่แสดงออกมาคือว่าจะกินอะไรก็อยากให้โลกรู้ว่ากูกินอะไรนะนะไปเที่ยวที่ไหนก็อยากประกาศให้โลกรู้ว่ากูไปเที่ยวอะไรบ้าง <c oughs> กูมีความสุขแค่ไหนคนะำว่ากูเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันเป็นคำสำคัญของคนสมัยนี้นะ คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำลายเนี่ยเ ข, เขาไม่มีความสุดอยากจะประกาศให้โลกรู้นะมีผลงานอะไรโดดเด่นแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธเสีิงนะหรือว่าตู้ลายลดน้ำที่นะมีชื่ออย่างเช่นที่วัดเสิงหวายเนี่ยนะลายลดน้ำลายบุกเนีสวยงามมากกับ ลายมันก็เป็นเป็นเปลวเพลิงเลยแต่ถามว่าใครทาเนี่ยไม่รู้เพราะเขาไม่เคยคิดจะลงชื่อเขาคิดแต่เพียงว่าทำถวายเป็นพิธบูชาฝรั่งแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขาวาดรูปเนี่ยนะเขาวาดรูปสวยมากเลยนะแต่ก็ไม่ลงชื่อนะเริ่มมีการลงชื่อในภาพวาดเนี่ยประมาณเมื่อ400ปีที่แล้ว ร่ของฝรั่งนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยความสำนึกเรื่องตัวกูเนี่ยมันเริ่มเริ่มโดดเด่มนมากขึ้นของเมืองไทยนี่ก็มาทีหลังเดี๋ยวนี้นี่เวลาเราทำอะไรก็อยากจะประกาศให้ใหโลกรู้สิ่งหนึ่งที่ประกฏก็คือว่าเวลาทำบุญเนนะี่ยก็อยากจะประกาศว่าใครเป็นผู้ทำบุญนะตามว่าตามว่าก็จะเห็นนะใครเป็นคนถวายเก้าอี้โต๊ะ ก็จะมีชื่อแนละ้วตามวัดตาวานี่ก็จะก็จะเห็นชื่อคนต่างๆมากมายซึ่งอันนั้นก็เป็นลัศนัยการแสดงตัวตนแบบหนึ่งหรือประกาศตัวตนว่าเนี่ยฉันบริจาคเงินนะเดี๋ยนี้ถามเป็นตัวรูปนี่ก็จะมีชื่อคนชื่อคนถวายเนียเยอะซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะคุณไปดูวัดไปดูพระตูดสมัยก่อนหาชื่อคนไม่ได้ถึงจะมีก็ไว้ข้างหลังแต่เดีนี้นี่โชว์ล้าเลยนะที่ฐานพระ อันนี้มันันสะท้อนทัศนคติที่ต้องการประกาศให้ประกาศตัวตนให้ให้ให้โลกรู้นะแล้ว f ฟซบุ๊กเนี่ยเขามาตอบสนองความต้องการตรงนี้มากเลยแล้วมันเป็นการมันเป็นวิธีการประกาศตัวตนที่แพร่กระจายได้เร็วมากแล้วก็กว้างความไปทั่วโลกเลยก็เลยเป็นที่นิยมกันยหญ่นะนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะทำอะไรเนี่ยไม่ว่าทำอะไรก็ตามเนี่ย ไปดูนางที่ไหนไปเที่ยวอะไรไปกินข้าวที่ไหนก็จะถ่ายนะถ่ายรูปแล้วก็เพื่อให้หลบรู้ว่าเนี่ยลูกินอะไรกูฮน ะ, ะอยู่ที่ไหนนะและพะเห็นเนี่ยนะเวลาอัพโหลดขึ้นไปแล้วไม่มีคนกดไลค์เนี่ยทุกมากเลยนะความตัวคสมัยนี้ทุกง่ายมากเลยคือไม่กดไลค์เนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์ ในทางลบนะไม่ต้องไปวิจารณ์นะแค่ไม่กดไลน์นี่ก็คิดหนักเลยนะบางทีกินไม่ได้เพาไม่หลับนะอันนี้จริงๆวัยรุ่นเด็กๆหลายคนเนี่ยนะสมมุตินะว่าอัพโหลดรูปหรือโปรไฟล์ใหม่เนี่ยไม่มีใครกดไลน์นะโอ้นี่เขาบางทีเขาแย่เลยนะแล้วมันก็มีนะประเภทว่ารวมนัดรวมหัวกันะในหมู่เพื่อนไม่กดไลน์ให้คนนี้ใช่ไ่มคนนี้นี่เสียเซลไปเลยนะ แลหนักกว่านั้นคือว่าไม่กดไลค์ไม่พอนะด่าเขาพี่นะ <c oughs> เด็กเด็กในในในเมืองนอกเนี่ยหลายคนเนี่ยค่าตัวตายนะค่าตัวตายเพราะว่าถูกถูกคอมเมนต์แรงๆดัดด่านะจาเซ๊ยเซ๊ยหายเป็นวิธีแกล้งแบบหนึ่งนะแล้วก็แกล้งแบบนี้เนี่ยมันมันทำได้ง่ายมากนะสมัยก่อนเนี่ย หรแม้กระทังเวลนี้เนี่ยเวลาเราจะว่าใครต่อหน้าเนี่ยเราก็ต้องใช้ความกล้านะใช่ไหมเราจะวิจารณใครต่อหน้าเราต้องใช้ความกล้านะแต่ตรงนี้เนี่ยคุณวิจารใครคุณต้องไม่ต้องไ ม, ม ไ, ม ไ, มไม่ต้องมีความกล้าเลยเพาคุณก็แค่ทิมลงไปแล้วบางทีใช้ใช้ใช้โปรไฟล์ที่ไม่เปิดเผยชื่อด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะตัดความสัมพันธ์กับใครเนี่ยมันต้องกล้าที่จะพูดต่อหน้านะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็แค่ทวิตเตอร์หรือแค่เขียนข้อความลงไปส่งเมสเซจลงไปหรือว่ายิง a ฟ e b o o k นี่ง่ายกว่านั้นอีกคือคุณไม่ต้องเขียนอะไรเลยคุณก็แค่กด unfriend แล้วลองคิดนะว่าสมมติลูกเราเนี่ยนะมีเพื่อนอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบคนนะแล้วเกิดเข้านัดรวมหัวกัน unfriend หมดเนี่ยลูกเรานี่เสียคนเลยนะแล้วค่าตัวตายเพระเหตุ น, นี้นะ ก็คือว่ามีเพื่อรวมหัวกันนะที่จะที่จะดา่าคอมเมนต์หรือว่าอันเฟรนต์แล้วเด็กสมัยนี้เนี่ยนะเขามีความสำนึกในตัวตนสูงนะะที่มันก็เป็นธรรมดารามุดนุ่นนะเราก็ไม่มีใครใหญ่เป็นหมาหัวเน่าแต่เฟซบุ๊กเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นสื่อที่ทำให้คนรู้สึกแบบนี้ได้ง่ายขึ้น โดยพาะกับเด็กๆนะซึ่งไม่ค่อยมีการยังคิดนะคือเวลาไม่พอใจเช่นเด็กคนนี้เนี่ยสวยครูชอบเรียนเก่งนะเด็กคนเด็ก น, นักเรียนคนอื่นเนี่ยก็อิจฉาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะก็นัดนัดรวมหัวกันนะเล่น ง, งานทาง f a c e b o o นะเช่นคอมเมนต์นะอันเฟรนเนี่ยนะเด็กเขาก็รู้สึกแย่สูญเสียเซล คนสมัยก่อนเนี่ยเสียเซลยังไงเนี่ยผมไม่คิดอยากจะค่าตัวตานยนะเพราะว่าเราไม่เคยเนเ้นเรื่องตัวปูมากอยู่แล้วแต่คนสมัยนี้เขาเน้นตัวปูมากนะความเป็นตัวกูหรือความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยสำคัญมากนะเพราะนั่นเนี่ยพอพอถูกคนเนี่ยไม่คาะหรือว่ารู้สึกเหมือนกับว่าถูก ตัดทานปล่อยวัดหรือว่ากลับไปมาหัวเ น, น่าเนี่ยเขารู้สึกว่าตายดีกว่านะคนเราถ้าเป็นโนบอดี้เนี่ยนะสู้ตายดีกว่าอันนี้เป็นความสุขคนสมัยใหม่นะอยู่ทั้งทีต้องเป็นซับบอดี้นะถ้าเป็นโนบอดี้เนี่ยมันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมใช่ันะ้มหลายคนถ้าตัวตายผู้ใหญ่ด้วยนะก็เพราะความสู ข, ขเป็นโนบอดี้ ฆาตกรที่ฆ่าจอร์แดนนอมเนี่ยจอร์แดนนอนถูกฆ่าตายไปสามสิบสองปีแล้วชแมนเนี่ยมาร์คชัดแมนเนี่ยเขาเขาฆ่าเขาเขายิงจอร์แดนนอมเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการเป็นสัมบอดี้เขาบอกว่าเนี่ยประวัติเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ล้มเหลวเรียนก็ไม่เก่งไม่มีใครครบ จบมาแล้วก็ทํางานก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะไม่รู้ถูกไล่ออกหรือเปล่ามีครอบครัวครอบครัวก็ยากรู้สึกว่าเขารลุ่มเหลวในสายตาเขาเนี่ยก็คือเขาคือโนโบอดี้เขาไม่มีตัวตนในสายตางคนที่อยู่รอบข้างเขาก็เลยฆ่าตัวตายแต่ขณะดฆ่าตัวตายก็ยังล้มเหลวเลยคือฆ่าไม่สําเร็จ นะคนเรามันแยกขนาะดนี้นะค่าตุกตาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะก็เลยคิดว่าเอ๊ยนั่นกูฆ่าคนอื่นก็แล้วกันกูจะได้เป็นเป็นซับบอดี้อันนี้ก็พูดจริงเลยนะแล้วเขาก็ฆ่าจําเลนน้องแล้วเดี๋ยเนี้ย เ, เจอคนแบบนี้เยอะนะอันนี้เป็นเป็นปรากฏการณ์ของคนสมัยใหม่นะที่เขาให้ความสำคัญกับตัวกูเนี่ยสูงมากซึ่งมันก็กลายเป็นเป็น เป็นดาบที่ย้อนกลับมาทําลายตัวเองเพราะว่าพอต้องการแสดงตัวตนหรือต้องการชูตัวปู่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่สําเร็จกลายเป็นโนบอดี้นะทั้งทั้งโดยโดยที่ไม่มีคนอื่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยหรือว่าที่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องคือว่ารวมหัวกันไม่คบค้าสมาคมนะไม่เป็นเพื่อ น, นมาหัวเน่าเนี่ยเขาก็ทําลายตัวเอง อันนี้คือคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยเมื่อมีเฟซบุ o กนะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้ว f a c e b o o นี่มันมีประโยชน์นะมันก็มีประโยชน์หลายอย่างเพราะนั้นเนี่ยอันนั้นไม่งั้นเนี่ยผู้เราไม่ใช้กันใช่ั้ยฮะพวกเราใช้ f a c e b o o เพราะเราเห็นว่ามีประโยชน์นะมันเป็นมันเป็นเสมือนหน้าต่างที่ทำให้เราได้เห็นโลกภายนอก แล้วก็รู้ว่าใครต่อใครเขคิดอะไรกันนะ <c oughs> ไม่ใช่เพียงแค่เป็นที่ที่เราประกาศตัวตนนะ <c oughs> บางคนก็ไม่คิดเทียบประกาศตัวตนแต่ต้องการจะรู้ว่าโลกรอบตัวเนี่ยเขาไปถึงไหนนะ <c oughs> เขาคิดอะไรกันหลายคนใช้ f a c e b o o เนี่ยเพื่อการาติดตามข่าวสารบ้านเมืองซึ่งก็ก็ทำได้รวดเร็วฉับไวจนรทั่งเดียวนี้เนี่ย สื่อสมัยใหม่ก็สื่อกระแสลักเนี่ยทยอยปิดตัวกันเพราะว่าคนไม่ค่อยคนไม่ค่อยอ่านกันแล้วใช่ไหมโ mm hmm. ดยเพราะหังสึกพิมพ์เนี่ยคนก็ไม่อ่านกันเพราะเข้าไปไปใช้สื่อออนไลน์และสื่อออนไลน์ตัวนี้เนี่ยก็ไปอินกับ Facebook มากนะอย่างเช่นเลยนี้เราไปดูเว็บไซต์ของของนักของสาพ์นต่างๆเนี่ยจะเป็นมติชนไทยลนก็จะอ้าง a c e b o o k แม้กระทั่ง เรื่องเล่าเช้านี้ของสรยุทธเนี่ยก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าเฟซบุ o กเนี่ยเขามีอะไรกันนะเพราะว่ามันเป็นสื่อที่ทําให้เราเนี่ยเห็นโลกได้ได้กว้างขึ้นแล้วก็ได้เร็วขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นซึ่งสื่อกระแสหลักเนี่ยไม่สามารถจะทําได้เพราะว่านโยที่มันน้อยแต่ว่า Facebook นี่มันเป็นกาังสือพิมพ์นะตังสือพิมพ์ส่วนตัวซึ่งมันมีหนังสื่อพิมพ์แบบนี้เนี่ยนะเป็นพันล้าน เกิดไปสองพันล้านแล้วมันะ้งนะฮะต้องซื้อส่วนตัวนะเพราะมันหลากหลายมากหลายคนก็ใช้ a c e b o o k เนี่ยเพื่อการเข้าถึงธรรมะอัตมาพุ่งไปยุโรปมาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งกลับมาได้สี่ห้าวันก็หลายคนที่ไปมาฟังบรรยา อ, อัตมาหรือมาอบรมกับอัตมาเนี่ยก็บอกว่าดู y o u t u นะอ่า ได้ฟังธรรมะอาตมาจากยู u ู u เนี่ยเป็นประจํางคนเขาถึงก็บอกว่าดูทุกเช้าเลยนะอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์ของของโซเชียลมีเดียนะซึ่ง Facebook ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย f a c e b o o เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทำให้หลายค น, นยได้มาปรึกษาธรรมะกับอาตมานะเดี๋ยวนี้เนี่ยในในหน้าเพจอาตมาเนี่ยก็จะมี มีเรื่องของบูชาวิสัญชนานะซึ่งก็มีมาเรื่อยๆนะเรื่องมีมาทุกวันแต่ตมาไม่ได้ตอบทุกวันนะเพราะว่ามีคนช่วยกรองนะแล้วก็บูชาวิสัชนาที่ตอบที่ถามได้ตอบเนี่ยตอนหลังก็เอามาพิมพ์เป็นเล่มแล้วก็พิมพ์ได้หลายเล่มแล้วนะเราเที่ยวเอามานี่ยก็ส่วนนึงก็เที่ยวมาแจากส่วนก็จะเป็นตัวอย่างว่า เฟซบุ๊นก็มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ในการที่ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะในหลายรูปแบบนะเช่นการฟังนะการอ่านแล้วก็การเสวนาเรียกว่าธรรมศาักษานะหรือว่าปุจฉาวิสัชนาแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยนะมันก็ มันก็สร้างปัญหาให้กับผู้คนมากมายเพราะว่าประโยชน์ที่ผู้คนจะได้จาก Facebook ในลักษณะนี้เนี่ยพูดรวมๆพูดโดยรวมแล้วเนี่ยมีน้อยนะ c e b o o k ถูกใช้เพื่อการเข้าถือเข้าถึงสื่ออย่างอื่นซึ่งมักจะมีโทษมากกว่าคุณนะประโยชน์ของวงการหนึ่งเนี่ยที่ได้วงการมีวงการหนึ่งที่ได้ประโยชน์จาก Facebook มาก นะมากกว่าวงการธรรมะหลายเท่าก็คือวงการเรียกว่าอะไรวงการนังสือโปะนะอนาจารย์เว็บไซต์นะเว็บไซต์เกี่ยวกับอนาจารย์หรือว่ า, วาภาพโปะที่เรียคอนกราฟีเนี่ยมันเยอะเป็นมหึมามหาศาลก็ประมาณว่า 80% เนี่ยของเว็บไซต์นะก็คือเรื่องนี้แหละ 80% นะ ไอ้ 20% เนี่ยคือที่เราดูดูกันที่เรามาใช้กันนี่และแล้วที่เป็นธรรมะเนี่ยอาจจะไม่ถึง1น่ซด้วยซ้อาจจะศูนที่เป็นเรื่องของธรรมะและเรื่องของความรู้ก็มากหน่อยนะอาจจะประมาณ5 10ที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของความบันเทิงนะความบันเทิงที่เกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจารนะไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจารเนี่ยนะแอซ ซึ่งก็คงพ่วงเรื่องของอยัยมุขอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย น, นี้ก็เป็นเป็นโทษของของของเฟซบุที่แล้วก็โซเชียลมีเดียนะซึ่งผู้คนเนี่ยไม่ค่อยได้ตระหนักเท่าไหร่นะหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันโดยที่ไม่รู้ตัวทีนี้ หลายคนเนี่ยก็ได้พบว่า f a c e b o o เนี่ยมันำมนำมาซึ่งความทุกข์หลายอย่างนอกจากความทุกข์อย่างที่อาตมาพูดซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่เป็น Extreme Extreme คือว่าเป็นกรณีที่ที่รุนแรงแต่ว่าที่บอกัอกนั้นนี่ก็มีอยู่เยอะนะซึ่งเป็นปัญหาให้กับผู้คนปัญหาที่ผู้คนรู้สึกกันมากหรือว่าเกิดขึ้นกับผู้คนนะก็คือว่ามันทาให้เรามันแย่งชิงเวลา ของเราไปแล้วมันแย่งชิงเวลาของลูกเราของคนที่เราลักนะใครที่มีลูกใครที่มีหลา น, นก็จะรู้เลยว่ามันแย่งชิงเวลาไปมากขนาดไหนนะตอนนี้เนี่ยมันมีสื่อต่างๆมากมายที่ดึงเวลาจากลูกหลานของเราไปโทนะรศัพท์มือถือเกมออนไลน์โซเชียลมีเดียนะ ยังไม่ต้องพูดถึงโทรทัศน์วィィิดนะีโอประมาณว่าเด็กเนี่ยเด็กไทยเนี่ยนะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยใช้เวลาอยู่หน้าจอเนี่ยโดยเฉลี่ยนเนี่ยห้าหกชั่วโมงหน้าจอนี่คือจอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์แล้วก็จอโทรศัพท์อนะตนนี้จอโทรทัศน์เนี่ยน้อยลงนะ มาอยู่หน้าจอโทรศัพท์มากขึ้นนะหน้าจอมพเตอร์ก็น้อยลงนะจอโทรศัพท์แล้วก็จอแท็บเล็มากขึ้นนะมันหมายถึงอะไรมหมายถึงว่าเด็กมีเวลาอ่านหนังสือน้อยลงเด็กมีเวลาพับคอนนอนหลับน้อยลงเด็กมีเวลาอยู่กับพ่อแม่น้อยลงถ้าถามว่าเด็กเนี่ยเขาเขาเขาดูอะไรนะมันเป็นประโยชน์เป็นสาระไหม ก็ตอบว่าเราคงจะตอบได้ดีว่ามันเป็นประโยชน์น้อยมากแม้จะใช้เพื่อเพื่อเพื่อวิชาความรู้ก็เป็นไปเพื่อการตัดปะมากกว่าที่จะใคร่ครวนอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่ด้วยนะก็คือมันแย่งชิงเวลาของเราไปซึ่งหมายความว่ามันแย่งชิงเวลา ที่เราควรจะมีให้กับคนในครอบครัวนะเวลาที่เราจะมีให้กับครอบครัวก็น้อยลงนะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็คือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยในด้านนึงมันทำให้เราใกล้ชิดกับคนที่อยู่ไกลามากขึ้นนะเราใกล้ชิดกัคนที่อยู่ต่างจังหวัดเราใกล้ชิดคนที่อยู่อีกมุมหนึ่งของกรุงเทพแล้วใกล้ชิดกับคนที่อยู่ต่างประเทศกับคนกลนี่เราใกล้ชิดขึ้น แต่กับคนใกล้และกับเผื่อหางอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นปรกนากฏการณ์ที่ดูมันแยง้งขัดแย้งกันในตัวนะกับคนไกลเนี่ยไกลชิดแต่กับคนใกล้เนี่ยเผื่อหางนะบางทีเดี๋ยวนี้คนใกล้ชิดนะเดี๋ยวนี้เราติดต่อทางไหนทางโทรศัพท์บางทีในบ้านเดียวกันเนี่ยใช้โทรศัพท์คุยกันใช้ไลน์คุยกันบ้านเดียวกันนะเิ่งถ้าเรา มีเวลาให้คนแกล้ชิดน้อยลงเนี่ยนะมันก็หมายถึงปฏิสัมพันธ์ที่หินหางไม่ใช่ในบ้านนะแม้ทั้งไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมคไปกินข้าวด้วยกันคุยกันไหมไม่ได้คุยใช่ไหมทุกคนต่างก้มหน้าพ่อก้มหน้าแม่ก้มหน้าลูกก้มหน้านะไปดูไปกินข้าวนะกินข้าวนอกบ้านนะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ก้มหน้าอันนี้มันทาให ความสัมพันธ์ของคนใกล้ภายในครอบครัวเหินหางซึ่งตามมาซึ่งตามซึ่งทำให้ปี น, นปัญหาตามมามากมายนะอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันใช่แต่ทั้งนั้นเนี่ยมันยังทำให้เรามีเวลากับตัวเองน้อยลงไม่ใช่มีเวลากับคนอื่นคนใกล้น้อยลงทนั้นเรามีเวลากับตัวเองน้อยลงพักผ่อนน้อยลงนะเดี๋ยวนี้เนี่ย แม้แต่การที่จะมีเวลาที่จะนั่งสมาธิเนี่ยการทำสมาธิเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องยากมากขึ้นนะเพราะว่านั่งอยู่ดีๆเดี๋ยวก็ปิ้งมาละปิ้งมาละนะไลน์ส่มาแล้แลนะลแลใช่าที่บางคนเนี่ยก็หมก ม, มุ่นอยู่กับเฟซบุ๊กนะจนทั่งไม่มีเวลาที่จะที่จะทำสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่แต่เวลาส่วนตัวเท่านั้นที่น้อยลงนะเวลาทำงานเนี่ยคนก็มีสมาธิน้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าไลน์ก็ดีเพราะ a ฟ e b o o กก็ดีเพราะว่าโซเชียลมีเดียก็ ด, ก ด, กดีในอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าแต่ก่อนนะสมัยที่มีสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณสักห้าหปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีมันจะมีมันจะมีสิ่งแส้ ดึงความสนใจของผู้คนออกจากออกจา ก, กางานเนี่ยออกจากงานที่ทำเนี่ยประมาณทุก15นาทีะจะทํางานแล้วก็ตามนี้จะมีนะมีข้อความทางอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์หรือมี s อ s เอ็มาเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุก15นาทีแต่ปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่15นาทีนะทุก3นาทีฉเฉลี่ย นี่มึงนอกนะต่อมาก็ไม่ทราบมืองไทยเป็นอย่างไรนะหลายแห่งเนี่ยนะเขาก็ให้งดใช้ไวไฟหลายแห่งเขาสั่งเลยนะว่าให้ให้งดใช้อินเทอร์เน็ตให้ปิดโทรศัพท์มือถือและบางคนเนี่ยนะเขาก็รู้นะว่ามันทําให้เขาไม่มีสมาธิแต่เขาก็เลิกไม่ได้ หาห้ามใจไม่อยู่วิธีเดียวที่เขาจะทำได้คือว่าติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมนี้ชื่อว่า f r e e d อ m ตมาทราบว่านี่คือเมื่อสองสามปีที่แล้วนะ Freedom เนี่ยคือเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ตัดสัญญาณไม่ให้มีสื่อไม่มีข้อความต่างๆเข้ามาคือในายกอัตามาก็แปลกน ะ, เ ร, นะเราน่าจะคุมตัวเราน่าจะคุมตัวเราเองได้ใช่ไหม มันจะเข้ามาก็เข้ามาเสีไม่เปิดดูสักอย่างนะแต่คนอย่างนี้ห้ามไม่ได้นะห้ามใจไม่ได้เพราะฉะนั้น ว, วิธีเดียวที่จะทาได้คือว่าก็ไปติดตั้งสัญญาเพื่อไม่ให้ <c oughs> เพื่อไม่ให้ไม่ให้มันเข้ามาแต่ก็แปลกนะว่าทำไมต้องมาติดตั้งโปรแกรมนี้ด้วยก็เพียงแต่งดใช้ไวไฟเนี่ยนะนก็จบกันอัตมามันไม่เศร้าทาไมทาเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนี่เป็นปัญหาคนสมัยนี้นะคือว่า ไม่สามารถจะห้ามใจได้ทั้งที่รู้ว่ามันมีโทษเคยได้ยินว่ามีคนบางคนนะแกแกติดช้อปปิ้งมากเลยนะติดช้อปปิง้งไปซื้อไปห้ามแล้วก็ใช้บัตรเครดิตเนี่ยจนหมดแล้วนัก็ยังก็ไปออกบัตรใหม่ตนระทั่งมีบัตรเครดิตเนี่ยนะ 2 0่0ิใบแล้วก็เป็นหนี้ทั้งนั้นนะแต่เริกไม่ได้วิธีตรงทีถ้าเป็นหนี้นะวิธีป้องกันทำยังไงก็คือเอาบัตรเครดิตเนี่ยซึ่งยังเหลืออยู่ใบสุดท้ายเนี่ยนะเอาไปใส่ไว้ในในแก้วน้ำที่มีน้าเต็มแล้วแก้วน้ำเนี่ยไปยไว้ในช่องฟรีสเพื่อให้มันแข็ง เพราะอะไรเพว่าเวลาอยากจะได้เวลาเปิดอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเห็นเห็นว่าชิ้นงานทนี่มีขายอะไรอย่างงี้นะอยากจะไปซื้อเนี่ ย, ยกจะไปรูบปั๊บเนี่ยมันรูดไม่ได้ ท, ทันทีใช่ไหมเพราะว่ามันแข็งก็ต้องเอาเอาน้นนะาําเนี่ยนะเอาแก้าเนี่ยมาออกจากฟรีซเพื่อให้มันละลายให้น้ําแข็งละลายกว่าน้ําแข็งจะละลายก็ประมาณตั้สิบห้านาทีก็ได้มีเวลายังคิดจะได้มีเวลาเ อ, อ้ยเปลี่ยนใจได้เพราะถ้า ถ้ามันมีความอยากทันทีนะห้ามใจไม่ได้นะจะเอาบัตรเครดิตเนี่ยจะเอาเอาเอ า, เอาแก้วเนี่ยไปไปเข้าตู้อะไร น, นะเวบอาจจะไปเข้าเว็บเนี่ยเืคย น, น้ํำน้ำแข็งละลายเนี่ยเร็วๆเนี่ยก็ทําไม่ได้เพราะว่าบัตรมันจะเสียก็ต้องรอให้มันละลายที่ก็เลยคิดว่าเนี่ยใน15นาทีเนี่ยครูก็คงจะมีสติยังคิดบ้างนะ คือรู้แล้วนะว่าโอ้ยเราเนี่ยติดช้อปปิ้งมากแต่ห้ามใจไม่อยู่ก็ต้องใช้วิธีเนี่ยบางคนที่กขา ป, ประกาศทางเว็บไซต์เลยว่าฉันเป็นหนี้หลายพันดอลลาร์แล้วนะอย่าให้ฉันกู้เงินอย่าให้ฉันยืมเงินนะคือยืมเงินจนทั้งไม่รู้จะจะเอาเอ า, เอาที่ไหนจ่ า, จานยนะแต่ก็ห้ามใจไม่อยู่ก็ต้องใช้วิธีแบบเนี้ยอันนี้คือนี่คือวิธีการของคนสมัยนี้คือว่าดีชัวร์รู้หมดแต่อดใจไม่ได้ นะแต่มาชื่อว่าสมัยนี้เนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องที่จะต้องรู้วิธีที่จะควบคุมพฤติกรรมของเราในการใช้อินเทอร์เนต็ตในการใช้โซเชียลมีเดียแต่่อไปถึงจุดนั้นเนี่ยตมาก็ขอพูดถึงปัญหาของ f a c e b o o นะที่ที่ว่าทำไมเนี่ยมันถึงกลายเป็น Facebook นะเพิ่มเติ ม, ตมขึ้น ที่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหามากอีกอย่างนึงก็คือว่า a c e b o o k เนี่ยมันมันเป็นสื่อที่ทำให้เราเนี่ยเป็นสื่อที่กระตุ้นอารมณ์เป็นสื่อที่กระตุ้นความรู้สึกของเราได้ง่ายได้เร็ว และมันทำให้เราสามารถแสดงออกตามอารมณ์ของเราเนี่ยได้ง่ายนยคืออยากจะอยากจะด่าใครเนี่ยมันทำได้ทันทีสมัยก่อนเนี่ยเวลาอยากจะด่าใครสักคนที่อยู่ไกลต้องเขียนจดหมาย <c oughs> ใช่ไ้ยเขียนจดหมายเสร็จแล้วต้องไปส่ง ไอถึงไอก่อนที่ไปส่ก็อาจจะได้คิดว่าเฮ้ยเราเขียนแรงไปนะนะอาจจะฉีดจดหมายทิ้งหรือว่าเขียนใหม่มันมีเวลาคิดมันมีเวลาไต่ตรองเนี่ยมันมีเวลาที่อารมณ์เนี่ยจะสงบเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันช้ามันใช้เวลาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอไม่ชอบอะไรเนี่ยนะเราทํายังไงฮะเราเราพูดเราเขียนแคทีนะมันไส้ใค ย, ยก็ ก็เขียนอยากจะด่าใครก็เขียนอยากจะเหน็ดแนมใครก็ก็เขียนมันไม่เพียงแต่สร้างความทุกข์ให้คนอื่นนะมันไม่เพียงสร้างความทุกข์ให้กับเจ้าของอผู้อ่านเท่านั้นนะแต่ว่านับวันมันจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เขียนไปเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะมันอยู่ตรงนั้นแหละและบางทีเนี่ยมันกลับมาเล่น ง, งานตัวคนเขียน ในอเมริกาเนี่ยมีหลายคนมากเลยนะเขียนด่าผู้หญิงนะไปเขียนด่าคนผิวดำนะเขียนด่าใครต่อใครมากมายนะตอนเป็นนักศึกษานะตอนเป็นนักเรียนนะพอไปสมัครงานเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเขียนต่อเป็นนักศึกษาแต่พอไปเลือกไปไปไปทำงานรไ ด, ได้ได้รับการได้รับการโปรโมทนะ บอกกันว่าไอ้ข้อความที่เขียนนี่นะมันกลับมาทำร้ายตัวเองเพราะมีคนเอามาแฉว่าเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนคุณเขียนแบบนี้ในอเมริกาเนี่ยการเขียนข้อความที่ดูถูกเห ย, ยียดหยามทางเพศสีผิวมันเป็นโทษหนักนะถึงแม่ถึงแม้ไม่มีกฎหมายเล่นงานแต่ว่าบริษัทหรือเจ้าหรือว่าเจ้านายเนี่ยพอเคยเห็นแบบนี้เขาก็ลังเกียจหลายคนเนี่ยเสียเสียคนเสียงานเนี่ยเพราะว่า ไอสิ่งที่เขียนนะโดยไม่ถันยงคิดนะแต่ผลแบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นอาจจะตามมาสีห้าปีหลังจากที่ทำแต่ว่ามันมีคนที่รวดเร็วกว่านั้นนะซึ่งอาจทำให้เสียผู้เสียคนมากกว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ แกเป็นผู้เป็นหัวนหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทใหญ่บริษัทในอเมริกานะแกเดินทางไปแอฟริกาใต้ระหว่างที่ระหว่างที่เครื่องบินจอดที่อังกฤษถ้าตามาจจะไม่ผิดเนี่ยแกก็เขียนข้อความในทวิตเตอร์เรื่องของเรื่องคือว่าแอฟริกาใต้มันเป็นเอตเยอะ นะก็อาจจะมีเพื่อนเนี่ยไปทักว่าเนี่ยต้องระวังนะเอดเนี่ยนะเธอก็เขียนใน Twitter ว่าเนี่ยเอดเลอะไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะว่าฉันเป็นคนผิวขาวใช่ไหมเขียนแค่เนี่ยแล้วก็เธอก็บินไปแอฟริกาใต้บอกว่าข้อความใน t w i t t ตอร์เนี่ยที่เธอเขียนในหมู่เพื่อนนะมันเล็ดลอดออกไป สู่คนสู่สมาชิกทวิตเตอร์อื่นๆตลอดเวลาช่วงวัน 5-6 ช่วโมงเนี่ยที่เธอบินไปเนี่ยแอฟริกาใต้เนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็มีคนเขียนมาด่าหาว่าเนี่ยเป็นผู้เหยียดผิวนะหาว่าเนี่ยหาว่ามีแต่พวกผิวดา ท, ทั้งที่เป็นเองนะนี่คือการเหยียดผิว โอแล้วก็แพร่ไปทั่วโลกนะเขียนด่าลุมด่ากันนะพอเธอไปถึงแอฟริกาใต้เนี่ยโยฮันเนสเบิร์กปรากฏว่ามาล่ว่คนด่าทั้งโลกเลยนะแล้วคนก็เขียนด่าไปที่เจ้านายของเธอว่าบริษัทคุณเนี่ยจ้างคนแบบนี้ได้ยังไงก็ไปลุมด่าบริษัทนั้นผลก็คือว่าบริษัทนั้นเนี่ยต้องปลดเธอออกจาก หัวหน้าคือไล่ออกนะแล้วยังตามไปไล่เล่นงานเธอกับพ่อแม่แล้วพอเธอไปสมัครงานที่อื่นมันก็มีคนตามไปกัดจิตต่อพบอกว่าหางานทําไม่ได้เลยนะนะเสียผู้เสียคนไปเลยเพียงเพราะข้อความแบบเนี้นะซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะไม่ได้ด่าพ่อร้องแม่ใครนะเพียงกับพูดเพียงแตบพูด อพูดขนองปากนะและที่จริงก็ตัดสินใจเพราะาเธอก็คุยในหมู่เพื่อนซึ่งมีประมาณร้อยกว่าคนใช่ไหมเวลาเราพูดกันในหมู่เพื่อนเราก็พูดกันอาจจะพูดแบบ น, นี้นะเหมือนกับว่าเราเนี่ยบางทีไปพูดอาจจะแซววิกตูหน่อยนะในหมู่เพื่อนนะบอกกู ว, ว่าพอมันออกไปทั้งนอนเนี่ยโอย้โดนเล่นงานนะ <c oughs> แต่วิกตูคงไม่ว่าอะไรนะ แต่เนี่ยแตใ่ในเมืองนอกนี่ถือว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากมีรายหนึ่งนะไปประชุมกันไปประชุมในเป็นการประชุมสัมมนาในในอเมริกาลองที่มีการบรรยายก็มีผู้ชายสองคนไปนั่งคุยกันก็คุยแซวแซวผู้หญิงกันนะนะอาจจะเป็นตอนนี้ชาบเป็นผู้หญิงที่กำลังบรรยายอยู่หรือเปล่าพูดคุยกันสองคนนะบอกว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาได้ยิน ว่ามีการพูดในทางที่เป็นเซา์นะแต่เขาถือว่าเป็นการเหยียดผิวเสพซึ่งในอเมริกาบางทีก็จับว่าเป็นเซ็กซ์ชวลฮารสมิทแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นการลวนลาทางเพศปรากว่าก็ถ่ายรูปสองถ่ายรูปให้คนพูดนี่แหละแล้วขึ้น Facebook แล้วก็รายงานว่าให้ผู้ชายคนนี้พูดเรื่องอะไรบ้างพูดอะไรบ้างปรากว่าโดนด่าทั่วโลกนะตกงานฮะ ตกงานมันไม่จบแค่นี้นะผู้ชายหลายคนเนี่ยก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ทําเกินไปก็ลน ล, ลงการลุมดา่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตกงานใช่ไหมแล้วทั้งสองคนก็หางานยากคือตอนนี้เนี่ยมันมีอสสากาลไล่ล่าคือภาษาพระเรียกว่าไล่ล่าแมแมมอส ก, ก็ได้ นะแล้วมันสร้างความทุกข์ให้กับผู้คนมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมนะหมายถึงว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยแต่แต่ว่ามันก็มีแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะมากขึ้นเรื่อยๆดาราบางคนพูดอะไ ร, พ, ะไระไพูดอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ถูกไม่ไม่ถูกหูใน i n s t a g r กรใน a c e b o o k เนี่ยก็โดนลุกถล่ม เรนี่ปรากฏการที่เสียผู้เสียคนเพราะเพราะคําพูดที่ขนองปากหรือว่าที่เผลอพูดไปเนี่ยหรือว่าตั้งใจพูดกันในในวงแคบ ๆ, ๆเนี่ยมันการมาทําร้ายตัวเองแล้วพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นโกงกรรมกลมเกลียด น, นะเราะว่าคนที่ดา่ดาด่าดเนี่ยสุดท้ายตัวเองก็โดนโดนเล่นในเวลาต่อมาเอ๊น เรื่องนี้มั น, ม, นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะส่วนนก็เพราะว่าอย่างนี้เนี่ยเราคนสมัยนี้เนี่ยใจร้อนบู้วางนะแล้วก็ไม่ค่อยยั้งชั่งใจเท่าไหร่แต่นี่ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะเพียงแต่ว่ายุคนี้เนี่ยไอ้สื่อต่างเนี่ยที่มันที่มันเราเข้าถึงง่ายเนี่ยมันสามารถจะกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกได้ง่าย สมัยก่อนเนี่ยเราก็มีแค่โทรทัศน์มีวิทยุมีหนังสือพิมพ์นะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มันก็หนึ่งเข้าถึงได้ไม่เข้าถึงได้ได้ได้ไม่ง่ายหรือสองเนี่ยมันก็มีการระมัดระวังเนื้อหาซึ่งทำให้คนเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยความโกรธความเกลียด น, นะน้อย น้อยกว่าปัจจุบันโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเฟ e บุ o k เนี่ยนะมันเดี๋ยวนี้ทุกคนเข้าถึงง่ายใช่ไหมว่าเพราะว่ายี่สี่ชั่วโมงแต่ก่อนจะดูโทรทัศน์ก็ต้องไปที่บ้านใช่ไหมฮจะจะอ่านนิพิสารก็มันก็ต้องมีเป็นเวป็นเวลาเช่นที่บ้านที่ทา ง, งานนะหรือว่าในร้านกาแฟแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย กาถึงได้ตลอดเวลาเพอมันอยู่ในมือเราแล้วถ้าเปิดตลอดเวลาเนี่ยมันก็เกิดอะไรกระตุ้นอารมณ์พอกระตุ้นอารมณ์แล้วเนี่ยชีวิตที่มันเร่งรีบในกรุงในเมืองเนี่ยมั น, มนคนเราเนี่ยก็มีความหมดุดมีความเครียดอยู่แล้วนะพอเจอข้อความมองข้อความทางเฟซบุ o กนะก็เกิดอารมณ์โกรธกลัวเกลียด พอมันเกิดลงขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ทันควบคุมนะก็พูดเท่าไเขียนไปนะไปสร้างความทุกข์ความหนุดหมินความโกรธให้กับผู้อา่านผู้รักและสิ่งที่ตัวเองเขียนสิ่งที่ตัวเองพูดนะมันก็กลายมาเป็นก็มาสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองในเวลาต่อมาที่จริงไม่ต้องพูดถึงเวลาต่อมานะเพราะว่าที่จริงการที่พูดเขียนนะ โดยที่แม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็ทําให้ผิดศีลไง่ายใช่ไหมฮะเพราะว่าการพูดจาสออเสียนี่ก็ถือผิดศีลก็เลยเป็นวจิตรุตริตนะการพูดคําหยาบการพูดเพอ้อเจอ้อการพูดโกหกการพูดส่อสเสียนี่เป็นวิจิทุตริตถือว่าเป็นมิจฉาวาจาใช่ไหมมันก็ผิดศีลและนี้ผิดศีล ก, กันมากนะโดยไม่รู้ตัวเพราะเฟซบุ๊กนะเพราะ Social Media พรานะทว t ตเตอร์อาจจะลบถึงไลน์ด้วยถัานตะิดสิกเงินมากมีชาววาจาวิติทุดจริตเนี่ยแล้วนอกจากนอกจากเป็นบาปนะก็แปกว่าต้องไปรับ ก, กรรมในเวลาต่อมาจากสิ่งที่พูดนะหรือสิ่งที่เขียนนี่มันก็สร้างความทุ้วเหรอผู้คนนะนะยังไม่ต้องพูดถึงกรณีที่เรียกว่า ถูกลุ่มกำนตรนกระทั่งเสียผู้เสียคนหรือว่าจนกระทั่งตกงานนะนันนีคือคือคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะซึ่งมันสร้างความทุกข์ให้กับเจ้าตัวเองแล้วก็สร้างความทุกข์กับผู้อื่นคำถามคือว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะอาตมาคิดว่า อย่างได้ที่ต้องมีนะก็คือการมีวินัยในการใช้วินัยในการใช้ facebook วินัยในการใช้สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียวินัยในที่นี้เริ่มต้นตั้งแต่ว่ารู้จักจํากัดเวลาอย่าให้มันแย่งชิงเวลาของเราไปอย่าให้มันแย่งชิงเวลาเรา จากลูกจากหลานจากพ่อแม่จากการพักผ่อนจำเป็นมากทีเดียวนะที่เราต้องกำหนดกับตัวเองว่าเราจะใช้โซเชียลมีเดียเฟ o o ุ๊วันหนึ่งเท่าไหรนะ่สมัยที่เวลาเมื่อสักตอนที่อาตมาเมื่อสักหลายปีจนถ้าเมื่อเร็วนี้เนี่ยนะอาตมาใช้ ใช้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแค่วันละชั่วโมงนะอันนี้เพราะว่าแพ็กเกจมันบังคับนะก็คือใช้เดือนละสามสิบชั่วโมงก็แปลว่าวันละชั่วโมงนะซึ่งก็ก็ถือว่าพอใช้งานได้สบายนะแต่ตน้นหลังไอ้แพ็กเกจมันหมดไปละแล้วก็มันเปลี่ยนมาเป็นพวกไอ้ 3G นะ ที่ว่าธรรมาก็นะจะมีมีมจเจ้าเป็นกติการหรือความจาเป็นก็นได น, นะก็คือว่าเช็คเนี่ยเช็คข้อมูลเนี่ยวันละสามครั้งเปิดไลน์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นลาเฟซุ่นเนี่ยวันละสามครั้งนะแต่ก่อนที่เคยเปิดค้างเอาไว้นะโอ้มันมันมีปัญหามากเลยทีย่วัดธรรมาก็เลยแปลว่าประแปลว่าจะปิดทําไมใช้ก็ปิดปิดหมยายถึงว่าปิดการส่งสัญญาณ ใช่พอจะใช้ก็ออกเปิดสัญญาณแล้วก็วันละสามครั้งนะอันนี้ทำได้ง่ายเพราะว่าใช้ใช้สัญญาณโทรศัพท์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเาบอกที่ว่าในเมืองคงยากเพราะว่าใช้ Wifi Wifi มันก็ยี่สสชั่วโมงใช่มโห ย, ยิ่งใช้กันหนาเลยไอ้ใช้ง่ายๆนี่นะก็เป็นโทษ น, นะไ i ไฟเนี่ยนะเพราะว่ามันเราใช้ได้ยีี่ชั่วโมงใช่ไหมหรือว่าใช้ได้หลาย10ชั่วโมง ในความสบายเนี่ยมันก็เป็นโทษนะอย่างไรก็ตามเราพี่ว่าเราต้องมีต้องมีวินัยในการใช้เริ่มต้นเรียวว่าจะใช้เวะลาเท่าไหรนะ่และสองเนี่ยนะจะใช้มืออ่ไรนะเช่นเวลากินข้าวนะก็ไม่ควรใช้มันก็ปิดมันเอาไว้ไม่ต้องเปิด ก็จะเปิดค้างเอาไว้นะมันก็มีปิ๊งติ๊งปิ้งปิ้งเข้ามาอยู่เรื่อยใช่ไหนั่งสมาธิก็ปิ้งปิ้งเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องรู้จับปิดสัญญาณบ้างใช่ไหมใช้เวลาเท่าไหร่และใช้เมื่อไหรเวลากินข้าวเวลาทํางานเนี่ยควรจะใช้ไหมควรจะเปิดใช้ไหมแล้วถ้าคุณทํานี้เนี่ยนะจะมีเวลาให้กับ คนใกล้ชิดมากขึ้นจะเลี้ยั้ให้กับตัวเองในสิ่งที่เป็นสาระมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ประหยัดประหยัดอารมณ์นะไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปเสียอารมณ์นะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องตลอดทั้งวันวินัยนี่ยังรวมถึงว่าคุณจะควรรู้จักปิดบ้างไม่ใช่ปิดสัญญาณนปิดเครื่อง เช่นเวลานอนเนี่ยคุณจะปิดใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปิดเนี่ยเปิดเมื่อไรในอมริกาเนี่ยไม่ใช่อเมริก า, นนอกาตอนนี้มันหลายประเทศทีแล้วนะเขามีการวิจัยพว่าคนที่มีสมาร์ทโฟนนะคนที่สมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณ7จ 80% สิบดสิบเปอร์เซนตเนี่ยเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยจะเปิดเช็คจะเปิดโทรศัพท์จะเปิดเช็กข้อความภายในสิบห้านาที ภา15นทีที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะ 70-80% จะเปิดข้อความภายใน15นาทีนะเมื่อตื่นขึ้นที่จริงเมื่อเราตื่นขึ้นมาเนี่ยหลังจากล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเราควรจะทําในสิ่งที่มันมีสาระหรือที่มีประโยชน์มากกว่า น, นั้นเช่นนั่งสมาธิสวดนมนต์นะครับลองนึกดูว่าตื่นขึ้นมาภายใน15นาทีเนี่ยเปิดเช็คข้อความเนี่ยมันอารมณ์เสียได้ง่ายๆนะุ่นมัวได้ง่ายๆนะน ใ, นะใช่ไหม หรือบางทีก็มีเจ้านายสั่งงานมนาะโอเครียดเลยเช้าเช้าเนี่ยคุณควรจะใช้เวลาเนี่ยช่วงนี้ทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานนะมันมีภาษสิทิว่าเริ่มต้นดีก็ถ้าก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งันคุณจะเริ่มต้นตอนเช้าด้วยความรู้สึกดีๆผ่องใสไม่ใช่เริ่มต้นตอนเช้านะด้วยอารุณที่ขุนมัวเพราะว่าไปเปิด a c e b o o k นะหรือว่าไปเปิด สื่ออินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นเรื่องของขอ ง, ของวินัย น, นะที่อาตมาหมายถึงด้วยประการที่สองเนี่ยนะต้องรู้จักบทกลันอันนี้จะรวินัย น, นะเวลาจะคอมเมนต์ในทางที่เป็นการด่าว่าวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะควรนับนะนับ1ถึงสหรือว่านะทิ้งไปก็ได้แอย่าพึ่งส่ง ใช่ั้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าพิมแล้วเนี่ยมันมันจะไปเลยใช่ไ่มอัตมาเอาสำคัญมากนะต้องยับยั้งชั่งใจในการที่จะในการที่จะแสดงความเห็นโดยเพราะความในทางลบอันนี้รถึงแชร์ด้วยแชร์เรื่องที่มันเป็นทางลบอ่ะนะต้องต้องระมัดระวังมากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการทำบาปหรือว่า เป็นการทำ พ, รพุติมิจฉาวาจาวจิตุบจริตไปโดยไม่รู้ตัวหรือว่าไปโดยไม่ตั้งใจนะยิ่งเทคโนโลยีเนี่ยที่มันเร็วแล้วมันแรงมากเท่าไหร่นี่ยวินัยต้องมีนะฮะเหมือนกับรถเนี่ยนะรถเนี่ยมันเร็วมันแรงเนี่ยนะก็ต้องมีวินัยเช่นอขับรถได้ สปีดสูงสุดเท่าไหร่หรือว่าต้องไม่กินเหล้าขณะที่ใช้รถมันมีมันเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียกร้องให้เรามีวินยัยเพราะถ้าเราไม่มีวินัยในการใช้มันก็จะกลับมาทําร้ายตัวเองหรือว่าไปสร้างทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแต่คนไม่ค่อยตระหนักนะในในเรื่องการใช้รถเนี่ยเราเราเห็นความจำเป็นการมีวินยัย มากขึ้นเลยเมันเป็นมันถึงเป็นถึงตายใช่ไหมฮะแต่ว่า Facebook เนี่ยคนไม่ค่อยตระหนักว่ามันจะเป็นต้องใช้ต้องมีวินัยสูงต้องมีความอดกรั้นมากนะแล้วการต่อมาคือต้องมีวิจารณญาณโนะดยเพราะการใช้หลักการาสมสูตรเนี่ยต่อมาว่าสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย เราเชื่อง่ายเกินไปทุกวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะแต่ว่ายิ่งข้อมูลยิ่งยุคนี้เนี่ยยิ่งข้อมูลข่าวข่าวสารท่วมท้นมากเท่าไหร่เนี่ยผู้คนกับโง่มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าไปหลงเชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จนะซึ่งมันมีท่วมท้นมาก ในอเมริกาเมื่อสักสี่หปีเมื่อสามสี่ปีก่อนเนี่ยก็คือมีการสอบถามหรือทําวิจัยเนี่ยเกี่ยวคนอเมริกันประมาณเนี่ยอาตมาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสามสิบเปอร์เซนตะของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อว่าโอบามาเนี่ยนะเป็นุสลิม คนอเมริกันนะไม่ใช่คนไทยนะเป็นมุสลิมไม่ใช่ไม่รู้นะแต่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปคิดว่าเออโอบามาเนี่ยแปลวเป็นมุสลิมแต่เพราะว่าไปรับฟังข้อมูลจาก Antrag ทางอินเทอร์เน็ตว่าโอบามาเนี่ยเป็นอิสลามนักศึกาสายอิสลามคนใช่อินเทอร์เน็ตอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนไม่มีความรู้นะมีความรู้แต่ว่าเพราะว่า ขาววิจรารณญาณสิ่งที่พู้เจ้านะตัดในกาลมาสูตรนะว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเป็นคำเล่าลือนะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเล่าสืบสืบต่อกันมาอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันมีอยู่ในคำที อย่าเชื่อเพียงเพราะว่ารูปลักษณะน่าเชื่อถืออย่าเชื่อเพราะการอนุมานเนี่ยและนี่มันจำมันมันจำเป็นอย่างมากเลยในยุค ป, ปัจจุบนันแม้แต่การอนุมานเนี่ยว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็อย่าพุ่งเชื่อยุตอย่างเช่นนะสายสร้อยหรือว่าอา่า สรอยคอเนี่ยนะทองก็ดีเพชรก็ดีนะของเราเกิดหายเอาเปิดมาดูแล้วมันหายแล้วแล้วก็จําได้นะว่าวางเอาไว้เนี่ยตรงเนี้แล้ามันหายแล้วก็จําได้ว่าแล้วก็รู้ได้ว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะมีคนงา น, นมาทําความสะอาด ถ้าทัานทีที่มีสองข้อมูลนี่เราก็ลังมานว่าคนงานเอาไปใช่ไหมแล้วก็คอยจ้องอาจจะไปฟ้องตํารวจว่าคนงานเอาไปแต่ปรกว่าดูไปดูไปทีก็พบว่าสร้อยคอเนี่ยมันตกอยู่หลังเตียงใช่ไหมอันนี้คือเป็นตัวอย่างว่า การอนุมานเนี่ยบางทีมันก็ผิดได้ทั้งที่ดูแล้วเนี่ยรูปลักษณะน่าเชื่อถือมีเพื่อนคนหนึ่งนะสองคนคนหนึ่งชื่ออ้วนเธอเล่าว่าวัาวนหนึ่งเนี่ยเดินข้ามสะพานสะพานลอยคนข้ามนะแถวโรงเวียนใหญ่เดินไปสักพักปรากว่าบนพื้นนะ่ะ เห็นแบงค์หนึ่งพันสามใบอ้วนก็ชี้ให้เพื่อนดูแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่แบงค์จริงหรอกแบงค์ปลอมเพราะถ้าแบงค์จริงเนี่ยต้องมีคนเอาไปแล้วแต่เพื่อนเธอเนี่ยไม่สนใจเพื่อนเธอก็เดินไปเพื่อจีบแบงบนะบค์สามใบนั้นเพราะกลัวเป็นแบงค์จริงอ้วนก็เลยกดไปเลยสามพัน ถ้าเพื่อนใจดีเพื่อนก็บอกให้เธอเธอเห็นก่อนเข้าไปพันห้าเหตุผลของเธอนี้ถูกต้องไหมฮะคนถ้าเห็นแบงค์จริงก็ต้องออกไปใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ผิดใช่ไ่มเหตุผลเธอเธอดีมากเลยเนี่ยแบงค์จิมันมันแบงค์ปลอมเพราะถ้าแบงค์จริงคนต้องออกไปแล้วใครก็ต้องออกไปบางครั้งเหตุผลมันก็พรางความจริงนะเหตุผลมันก็บังตาทำให้เราไม่เห็นความจริง เพื่อนของเธอจะเป็นอาจจะเชื่อในหลักกาลรมัธยูก็ได้ว่าอยเชื่อเพียงเพราะมีคนพูดอย่าเชื่อเพียงเพราะลู่ลอดสระรน้าเชื่อถืออยเชื่อเพียงเพราะว่าอนุมาต้องไปดูกับตาเชื่อมากเพราะนไม่รูแน่จริงเฮ้กับอินเทอร์เน็ตนี่เหมือนกันนะก็คือว่าต้องมีวิจารณญาณโดยใช้หลักการมัธยูอย่าเพิ่งเชื่อ ง, ง่ายๆเพราะว่า ก่อนนีนะ้เราเป็นคนมีส่วนร่วมในการปล่อยข่าวลือนะหรือถึงแม้เราไ ม, ไม่ไม่มีสว่วนในการเิยแพาเข่าวลือเราก็เกิดอารมณ์นะและเราก็เลยเขียนด่าลงไปใส่ใส่ลงไปแล้วคนที่รับเนี่ยเขาก็เสียใจเพราะว่าความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นทันดาราหลายคนเนี่ยเจอแบบนี้เยอะมากนะ ดาราคนดังเนี่ยเจอแบบไี่เยอะมากทั้งที่ไม่ได้พูดหรือว่าทั้งทั้งที่พูดแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้อความหลายข้อความเนี่ยมันเป็นการสรุปจากข่าหัวข่าวข่าหัวข่าวว่าดาราคนนี้คนดังคนนั้นหรือหมอคนนี้เนี่ยพูดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอย่าพึ่งเชื่อ ต้องไปดูเนื้อขาวต้องไปดูเนื้อขาวว่าจริงๆเขาว่าอย่างไงบางทีเนื้อขาวกัาพก็ขาวคนละเรื่องเลยนะปัญหาคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ดูไม่อ่านรายละเอียดเช่นะบางทีเนี่ยเราอัปโหลดข้อมูลว่ามีการบรรยายเรื่องนี้ที่นั่นที่นี่เวลานั้นเวลานี้นะปรากฏว่าคนในคอมเมนต์เนี่ยหลายคนจะถามเลยว่า งานนี้จัดที่ไหนคะแปลว่าอะไรคือไม่ได้ดูก็เขาบอกอยู่แล้วนีว่าจัดที่ไหนใช่ไหมเป็นอย่างนี้เยอะนะฮะงานนี้จัดที่ไหนฟรีไหมคะแต่ว่าไปจัดที่ไหนเนี่ยประจํานะคือทั้งที่มันเขียนไว้ชัดอันนี้เราพูดถึงว่าบทความก็ดีคอมเมนต์การเมืองก็ดีเนี่ยมางทีเขียนนะข้อความที่อัปโหลดเนี่ยมีเรื่องการเมืองมีเรื่องมีเรื่องเกี่ยวกับสังคมนะ คนหลายคนก็เขียนวิจารณ์ไปแล้วแต่เราก็บอกว่ายังไม่ได้อ่านนะยังไม่ได้อ่านเลยวิจารได้ยังไงใช่ไหมฮะคืออ่านเอาไวท้ทีหลังแต่วิจารณ์ก่อนอันนี้คือนี่คือพฤติกรรมการใช้ Facebook ซึ่งมันสร้างความทุกข์ให้กับ ต, ตัวเองและผู้อื่นผู้อื่นเนี่ยได้รับทุกทันทีถ้าว่าเป็นคําวิจารณ์ที่รุนแรงส่วนตัวเองเนี่ยต้องรับกรรมในภายหลัง จากคำพูดที่ไม่อ ย, ย่างคิดเอ๊จะต้องมีวิจรารญาณแล้วก็ต้องมีความอดกลั้นไม่วูวามประการต่อมาคือว่าต้องมีความเมตตาบ้างกลับมาที่กลับมาที่กลับมาที่ตัวอย่างที่จะมาพูดถึงคนบางคนที่หลุดปากพูดอะไรออกไปเขาพูดจริง ใช่แต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความผิดไร้แรงแต่การที่ผู้คนไปนลุมกันห น, นเนี่ยมันทำให้เขาได้รับโทษทันแรงกว่าที่เขากระทำใช่เสียผู้เสียคนไปเลยอะ่ะบางทีพ่อแม่ก็ยำแย่ไปด้วยนะหลายคนเนี่ยถือว่าตัวเนี่ยเป็นคนพิทักความถูกต้อง เราต้องพิจารณาวถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเราต้องต้องจัดการใช่แต่ว่าบางครั้งการยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยมันก็นำพาไปสู่ความไม่ถูกต้องได้อย่างเช่นเนี่ยกรณีที่เขาเขียน t w i t เตอร์ในแล้วก็พูดถึงเรื่องของคนว่าฉันไม่เป็นเอหรอกเพราะว่าฉันเป็นคนขาวขอพูดกันในเพื่อนในหมู่เพื่อนฮะ แต่ว่าตัวเองไปทําให้เขาเสียคู่เสียคนเนี่ยถาม่ถูกต้องไหมความถูกต้องกับความเป็นกับความเมตตาเนี่ยมันต้องมามันต้องมันต้องคู่กันนะความถูกต้องถ้าเรายึดน้่งความถูกต้องมากระวังว่าจะทํำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นและในกรณีแบบนี้เราต้องมีสิ่งที่ช่วยทําให้เราไม่ทําความผิดพลาดคือว่าต้องมีความเมตตาและแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย ใน a c e b o o k เนี่ยมันผู้คนเนี่ยขาดความเมตตาแันมากคิดแต่จะเป็นผู้พิทักษความถูกต้องแล้วก็พิทักษ์โดยที่ไม่ได้ไม่ได้อา่านไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใช้วิจารณญาณเลยนะซึ่งก็ทำให้ความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ถ้าเรามีเมตตากรุณาเนี่ยนะมันก็จะช่วยทัดทานนอกจากการมีสตินอกจากการมีความหมดกลั้นนอกจากการมีวิจรยาแล้วเนี่ยความเมตตาก็จะช่วยทัดทานไม่ให้เราเผลอไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในนามความถูกต้องได้ต้องระวังนะเพราะว่าความความปวดร้ายที่ทำในนามความถูกต้องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะมาก ปตุลาเนี่ยที่มีการเอาคนไปเผา แ, แขวนคอเนี่ยพคนนี้คนที่ทานี่ก็ทําในนามความถูกต้องน ะ, ะพิทักษ์ชาติสากลศัพท์แต่เมื่อขาดเมตตาแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ฟังอีราฆ่าอีลมเนี่ยแต่เขาจนแต่เขาจนเขาพูดไม่ออกแล้วถามว่าแล้วพอพูดกับเขาเขาพูดไม่ออกก็หาว่าเขาเป็นยวนนะเขาพูดไม่ได้เพราะเขาจุบและไม่ใช่เพราะเขาเป็นยวนนะ ก็ไปพอเห็นว่าเขาเป็นด้วงก็จัดการเลยเราต้องระวังในเวลาเวลาพิทักษ์ความถูกต้องเนี่ยจะต้องไม่ทิ้งเมตตาธรรมที่เกาหลีใต้น่ยมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะคือในเกาหลีใต้มันมีมันมีมันมีกฎมันมีระเบียบว่าหรือกฎหมายว่าเวลาเลี้ยงหมาเนี่ยจะต้องคนเลี้ยงเนี่ยเวลาจูหมาในที่สาธารณะนนเนี่ย คนที่จูหมาจะต้องจะต้องเก็บกวาขี้ของมันเช่นใส่ถุงนะอันนี้เราเจอเจอได้ไง่ายในในใ น, ในต่างประเทศเช่นปารีสนิวยอร์กเนี่ยคนเลี้ยงหมาเนี่ยก็จะมีถุงพลาสติกนะพอหมาที่ปุ๊บเขาก็จะเอาถุงพลาสติกเนี่ยนะใส่ใส่มือแล้วก็เหมือนกับถุงมือแล้วก็ไปฟ้าขี้เนี่ยเอาไปทิ้งเกาหลีก็มีกฎหมายแบบนี้ที่ยืคนึงเนี่ยแกก็เลี้ยงหมาแบบนี้แหละครับหมาที่ เจเห็นว่าไม่มีคนเห็นแจก็เลยเดินเลยไปนะไม่เจ็บขี้เพราะกว่ามันมีก้กองวงจรปิดเห็นนะว่าเธอเนี่ยไม่ไม่เจ็บขี้ก็เอาขึ้นสมารเน็ตเวิร์สบุ๊กเอาขึ้นเว็บไซต์เพื่อปฎจาร์บอกว่าก็มีคนไปเช็คก็ก็รู้ว่าพี่อยนี้คือใครชื่ออะไรทำงานที่ไหน ก็ลุมกันประนามเขียนจดหมายาไม่ใช่ส่งข้อความไปดา่าหมายเทนตรวถทางหมายเทนต้องไล่เธอออกเมื่อท่านั้นไมพอก็ไปตามหาว่าพ่อแม่ชื่ออะไรก็ไปเล่นงานพ่อแม่แล้วก็ยัติโกติกายก็เหมือนกันนะเสียผู้เสียคนกันไปกันไปหมดทุกคนที่ว่าตัวเองทำ เพื่อความถูกต้องก็คือว่าระเบียบต้องเป็นระเบียบใช่ไหมฮะแต่ว่ามันเป็นธรรมไหยนะเพียงแค่ว่าไม่เจ็บขี้เนี่ยเสียผู้เสียคนเนี่ยมันถูกไหมแต่ความไม่ถูกนี่เกิดขึ้นจากอะไรจากการยึดมั่นในความถูกต้องเราต้องระวังนะเวลาเวลาจะยึดมั่นในความถูกต้องเวลาจะทำเพื่อเวลาจะพิถีพิันความถูกต้องเนี่ยอย่าไปยึดมันม่นถือมั่นจนขาดสติ ต้องมีเมตตาบ้างมันต้องช่วยทำให้เราไม่กลายเป็นเป็นผู้ก่อความทำเข็ญนนะในนามความถูกต้องอันนี้พูดรวมๆไปด้วยเลยที่ไม่จเป็ น, ต, ปนต้องเป็นเรื่อง Facebook นะตมาก็ใช้หลักพอสมควรนะก็ก็อยากจะชี้เห็นว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยต้องต้องมีวางค่าทีอย่งางไรถูกต้องในะเกี่ยวกับใช้ Facebook มันเป็นของใหม่ที่มันเรียกร้องมันเรียกร้องให้เรามีพฤติกรรมแบบใหมนะ่จะต้องมีมาตรการแบบใหม่นะเพื่อที่เราจะใช้มันได้ถูกต้องไม่ก่อปันญหากับผู้อื่นเหมือนกัาที่สมัยก่อนเหมือนกัาที่ตอนที่เรามีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็ต้องมีวินัยว่าเราจะใช้โทรศัพท์เมื่ อ, อไรนะซึ่งคนไทยเราก็ยังมีความความ มีเรื่องนี้น้อยนะก็คือว่าเราใช้โทรศัพท์พร่ำเพื่อโทรศัพท์มือถือพร่ำเพื่อในในในหลายประเทศในเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเวลาขึ้นรถไฟนะก็จะไม่ใช้ก็จะไม่คู่โทรศัพท์กันก็จะใช้แค่กดเมสเ a จนะหรือดูเมสเหจือข้อความเมื่อเราพูดถึงการใช้โทรศัพท์ในในที่ประชุม การใช้โทรศัพท์ในโรงหนังนะสังคมอารยานี่เขาก็ไม่ใช่กันนะแม้กระทั่งถ้าเป็นโรงหนังโรงละครเนี่ยจะไปกดข้อความอะไรต่างเขาก็ไม่ทํำด้วยซ้ําเพราะมันไปบางที่แสงของโทรศัพท์ของจอโทรศัพท์มันก็ไปรบกวนเสียงเขาอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของการเมื่อเรามีเทคโนโลยีใหม่เราก็ต้องมีมือพิจิตต้องปรับพฤติกรรมใหม่ด้วยแต่เมืองไทยเราเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเลยที่ ไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับเทคโนโลยีมันก็เลยสร้างปัญหาขึ้นมาก็พอสมองกับเวลาแล้วก็อข อ, อยุติดเพเทอมนี้ใครมีคำถามนะคะท่านอาจารย์จังหนอนถามเลยในกรณีที่เราเรียนการปลุกในบางครั้งเนี่ยภาบางคภาพเราก็เต็มใจที่จะป ก่เต็ม่กดไล์แต่ต้องกดไล์เพราะ้นเพื่อนจว่าอนี่จะผิดศีลข้อสีไมะไ่ผิดหรอกเราก็เราบางครั้งเราไม่ได้มันไม่ใช่เป็นการโกหกนะเพราะว่าคว่ากดไลค์เนี่ยมันมันมีหน้าที่หลายอย่างเอ้ยมีเหตุผลในการกดไลค์หลายอย่างใช่มมันไม่แปลว่าเราชอบอย่างเดียวมันแปลว่าให้กำลังใจด้วยใช่ไหมฮะ เ, เพราะว่า มันไอข้อความเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างใน f a c e b o o เพราะฉะนั้นแม้กท่งการกดด้วยความเกรงใจเนี่ยเราก็อาจจะทำในแง่ที่ว่าเพราะเราคิดว่าถ้าไม่กดเนี่ยเพื่อนจะเสียใจเราก็ปาธนาดีมันไม่ถึงขัานเป็นการโกหกนะค่ะเมื่อกี้ที่ได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงเรือเ่อง ก, การแชร์ไปเรือ่อย ว่าบางครั้งก็ทําอะไรผิดที่ไหนก็โอเคเราเห็นว่าความถูกต้องมาก่อนแล้วเราก็ไปแชร์หรือว่าไปว่าผู้จ้างกรณีนี้มันมันจะมีบ่อยมากโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องการจอดรถบนที่จอดรถของคนพิการซึ่งตอนหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนแชร์ว่าถ่ายคลิปเลยถ่ายเข้ามาจอดรถคนพิการเพราะว่าตามห้างสาที่จอดยาก แล้วก็ลงมาก็เป็นสภาพปกติไม่ได้เป็นอะไรเลยแข็งแรงดีแล้วก็เดินออกไปแล้วก็แชร์กันมากเลยลักษณะอย่างนี้มีผลหรือว่าเวลาเราดูแล้วเธอทำเราควรวางใจยังไงคะคือถ้าเราแชร์เพื่อให้เขาอับทายเนี่ยอัตมาว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่พอได้แต่ถ้าไปกดดันไปดา่าไปกดดันนะ ให้เขาให้มีการลงโทษเขาเช่นต้องออกจาก ง, งานต้องไล่ออกเลงตาเนี่ยนะอันเนี้ยแตมาว่ามันจะมันจะหนักมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงกว่ากว่าความผิดของเขาใช่ไหมฮะเพราะบางทีคนเราก็พากันได้บางทีเร่งรีบนะคนป่วยเนี่ยคนป่วยต้องรีบพาไปส่งอาไจะต้องใช้จอด ของคนพิการนะแต่เนื่องจากเราไม่รู้เนี่แต่ว่าแชร์เพื่อให้เขาอับอายเพื่อให้เขามีเรียกว่ามีความยั้งชิดเนี่ยแต่ว า, าทำได้นะแต่ว่าประเภทว่าไปกดการให้มีการลงโทษเนี่ยก็ต้องพิจารณานะว่ามันมันจะสมควรกับความผิดไหมเพราะว่าเรื่องมันมีบางทีมันมันรุนแรงเกินเหตุ ซึ่งที่จริงอาตมาว่าการการทำให้คนเนี่ยเกิดความตระหนักนะเกิดความ เ, าเกิดความระมัดระวังว่าจะทำอะไรไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอาตมาว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าสังคมไทยที่ผ่านมาคนทำอะไรตามอาเภอใจโดยคิดว่าไม่ต้องรับผลกระทบใช่ไหมหรือว่าคิดว่าเพราะไม่มีใครรู้นะมันก็ทำให้สร้างความเดืดร้อนจากผู้คน เรียว่าเกิดความเกิดอาการที่ไม่มีความเกรงใจกันสำหรับไทยสกรเนี่ยเรามีความเกรงใจกันใช่ไหมฮะหรือว่ามีหีออด่ดอุตปาปเราใช้เสียงจะใช้เสียงเราก็ต้องก็เราบ้านระวังไม่ไม่ส่งเสียงดังแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากผู้คนอยู่กับตัวใครตัวมันใช่ไหมฮะแล้วก็ความเกรงใจก็เลยน้อยลงคนไทยเนี่ยถ้าหากว่าเช่นถ้าเรามีความคุ้นเคยกับข้างบ้าน คือข้างห้องหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะมีความเกรงใจคนไทยเราจรงแล้วสย่ามคือเราถ้าเป็นเพื่อนเราจะเกรงใจกันมากแต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนแล้วเนี่ยจะมีความเกรงใจจะให้ใครเกรงใจไหต้องให้เขาเป็นเพื่อนกับเราหรือเราเ ป, เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยถึงจะเกรงใจยกตัวอย่างเช่นมีคนเล่าว่าข้างบ้านเนี่ยเด็กก sí er ็เลยนะเขาเขาก่อสร้างก่อสร้างตึกนะแล้วคนงานก่อสร้างเนี่ยก็ชอบ ทิ้งอะไรลงมาทยาบลงมาขี่หยาบก็มากองอยู่งลานหน้าลานหญ้าสนามหญ้าหน้าบ้านในบ้านเลยนะเขาก็ไปไปบน่นไปโวยนะกับคนงานก่อสร้างรวมทั้งหัวหน้าก็ไม่ได้ผลครูตำรวจก็ไม่ได้เรื่องมุดงิดมากเลยจนกระทั่งมีคนแนะนําว่าเอาอย่างนี้สิ นะเวลาปีใหม่เวลาสงการเนี่ยตุตจีนก็มีอะไรไปให้เขาเอาขน ม, มนเอาของขวัญไปให้ใช่ไหมไปพูดคุยทักทายกันเ้าก็ทำนะเอาลองดูนะเจอกันหน้าปากซอยบางทีก็เออทักทายกันนะปีใหม่สงการตุตจีนก็เอาของไปให้เพราะว่ากลายเป็นเพื่อนคุ้นเคยกันปรากฏว่า ในเหตุการณ์ที่ทิ้งอะไรลงไปแล้วก็หายไปเพราะอะไร เ, เพื่อนๆต้องเก่งใจมปนี่อีกลายหนึ่งนะขายของจตุจักนะก็อยู่กันมาสงบราบรื่นตลอดตรงทงังต่อมาเนี่ยห้องข้างๆเนี่ยร้านข้างๆก็เปลี่ยนเลยคนใหม่มาเนี่ยไม่กี่วันก็แสดงนิดเอาเอาผาาใหญ่ๆเนยที่ที่ที่ที่โชว์ขายเนี่ยนะมาผิด มาล้าเข้าไปหน้าร้านของเขาหนึ่งในสามเลยนะแสดงว่าเราต้องเห็นกตัวมากเลยนะเจอแบบนี้จะทำยังไงจะไปด่าจะไปต่อว่าไหมหลายคนคิดแบบนี้หรอไปต่อว่าแต่ผู้ชายคนเนี้นะสมมติชื่อพรเนี่ยแกไม่ใช้วิธีนี้นะวันรุ่งขึ้นเนี่ย <Okay. S 1> แกก็ไปซื้อผลอไม้เอาเงนส้มสองกิโลแล้วก็มาที่ร้านค เ, เนี้ย ชื่อเดชครับผมชื่อเดแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมออกไปข้างนอกมานะไปเจอร้านผลไม้เห็นผลไม้อร่อ ย, ยแอปตปิเห็นผลไม้ น, น่ากินคิดว่าคุณก็คงชอบผลไม้ก็เลยซื้อมาฝากคุณไห้หมอนไน้งมงเลยนะแล้วทําหน้าทําหน้าไม่ถูกเลยตอนก็บอกว่าพี่เฮียไม่ต้องเกงใจเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันใช่ไห เราเป็นพี่เป็นน้องกันแกก็น่าแแกก็ยิ้มนแล้วนั้นก็คุยกันถูกคอ แ, แ, แล้วก็เสร็จแล้วแกก็กลับไปที่ร้านของแกวันรุกงขึ้นเปิดร้านก็บอกว่าไอ้ป้ายนั้นเนี่ยหายไปแล้วแกก็เลยไปถามเดทเฮียเอ๊ะ e ตะก่อนเมื่อวานนี้เห็นป้ายอยู่เลยเห็นไอ้ภาพนั้นอยู่เลยเฮียาขายได้แล้วเหรอป่าเราเองขายไม่ได้หรอก แล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ข้างในร้านเอารีเอไปวาว้ทั้งนั้นทําไมทำไมไม่ไว้ที่เดิมไว้ไปไปขวางไปบางหน้าไปบังร้านเทียมันน่าเกลียดใช่ไม่ม <c oughs> เดี๋ยวลูกค้ามามองไม่เห็นเนี่ยคือคนไทยเราเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนแล้วเกรียดใจนะแต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนไม่มีความเกลงใจอันนี้พอมมีความเกลีใจทํำไรหลายคนก็ต้องใช้วิธีนี้แหละะประจานนะนะแต่ประจานย่างไรเนี่ยให้มัน ให้มันพอหมาะนะไม่จริงเพาะว่าเป็นการลงโทษก็ถงให้เขาได้กลับตัวกลับใจบ้างใช่ไหมฮะไม่ใช่เสียพู้เสียคนไปเล ย, เลยอันนี้เราตระมาว่าต้องใช้ต้องมีเมตตาบ้าแล้วก็ต้องมีสติด้วยเมื่อหลายเดือนอที่ผ่านมามีรูปที่แชร์ขำหน้าเฟซบกก็ค่อนข้างเยอะในในไลน์ก็ค่อนข้างเยอะเรูปของเจ้าอาวาวัดหนึ่ง ทย่ตรงปฐุมธานีวันนี้นเป็นรูปของที่เป็นหน้าตาพระเจ่าล้านมาแล้วก็ใส่เสื้สอผ้าโบราณแล้วมาคล้องเป็นตัวแล้วถ้าเราไปกดโค้แชร์ต่อมีบาปไม่เออจริงๆเราจะว่าไปหนึ่งเราเชื่อเป็นความจริงใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่ได้เจตนาว่าจะใส่ร้ายเขาแต่ว่าไปมันก็ไม่บาปนะแต่ว่า มันมีส่วนร่วมในการทําบาปของคนอื่นเพราะว่าถ้ามันเนี่ยอาจจะเป็นการตอบแฝงตัดต่อใช่ไหม <c oughs> เราก็มีส่วนร่วมในการในการในการทําบาปของผู้อื่นหรือเป็นเครื่องมือของเขา <c oughs> ไม่บาสนะฮะถ้าเป็นความจริงก็ไม่บาปเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งสมควรใช่ไหมฮถ้าเป็นถ้าเป็นความจริงมันก็ไม่สมควร แต่เราจะรู้ได้ไครับว่ามันตัดต่อหรือไม่ตัดต่อแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยคิดว่าจะมีเวลาเราไม่ค่อยให้เวลากับการตรวจสอบเพราะข้อมูลมันมันท่วมท้น ม, ม, มันมาเยอะเหลือเกินแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะตรวจสอบด้วยเพราะว่ามันเสียเวลาเราใช่ไหมฮะก็จะตรวจสอบที่ไหนก็เลยอ่าพอเห็นก็ความรู้สึกแรกคือไม่พอใจแล้วก็มีสติไะก็มีสติรู้ว่าเนี่ย ความไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะถ้าเราไม่มีสตินะพอไม่พอใจปุ๊บเราก็ตอบโต้ทันทีใช่มะอันนี้คือปัญหาคือยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่าโกรธเกลียดกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากและอินเทอร์เน็ต เ, เนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นตัวนี้สมัยก่อนเจ้าพุทธาว่าเนี่ยมันเป็นยุคกินกามเกลียดใช่ฮะิโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ ก็มาเสริมเรื่นี้มากวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะเรื่องกินการเกลียดคือกระตุ้นโลครนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันมีสามกรชุดใหม่เกิดขึ้นคือโกรธเหยียดกลัวนะซึ่งก็เกิดจากโซเชียลมีเดียมากเพียงแค่เห็นต่างจากตัวนี้ก็ไม่ชอบแล้วก็วิจารณ์ก็ลุมถล่มแล้วใช่รับอันนี้และกลัวก็โกรธง่ายเพราะว่าเจอภาพที่ จริงบ้างไม่จริงบ้างข้อความที่ถูกใจบ้างพข้อความถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างจริงๆจะมาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของโซเชียลมีเดียเวลานี้เนี่ยคือว่าคนเนี่ยไปใส่ใจเรื่องความถูกใจไม่ถูกใจบ้างความถูกต้องถูกใจไม่ถูกใ จ, กกใ จ, กใจนี่เป็นเรื่องใหญ่ของ Facebook แลนะตอนนี้โซเชียลมีเดียนะไม่ ไม่ใช่เรื่องความถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ตอบโต้ ท, ทันทีแต่ตัวไม่ถามว่าแล้วมันถูกต้องไหมความถูกต้องบางอย่างไม่ถูกใจเราใช่ไหมฮะเช่นบางคนเค็าพูดไม่ถูกบางคนก็พูดเนี่ยไม่บางคนก็พูดเนี่ยไม่ไม่ถูกใจเราแต่ว่าถ้ามันถูกต้องถูกหลักการเราก็ต้องฟังใช่ไหมเป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย ความถูกใจไม่ถูกใจกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าความถูกต้องเพรานั้นข้อมูลไหนเนี่ยแม้จะเป็นเท็จเติมแต่งแต่ถูกใจเรามันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งย่ําแย่เราก็ยินดีที่จะแชร์ใช่ไหมก็มีนะักแบบนี้คิดเยอะนะโดยเฉพาะในายุที่มีการแบบฝักเป็นฝ่ายเนี่ยนะทั้งที่เราก็รู้นะข้อมูลไม่ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นผลเสียต่ออีกฝ่ายนึงที่เราไม่ชอบเป็นศัตรูกับเราเราก็ แล้วก็แชร์แล้วก็แพ้แพ้ อ, อไป mm hmm. เพียงเพราะมันถูกใจเพราะเราต้องการผูช้ชนะใช่ไหมดงนั้นความถูกต้องตอนนี้มันเรือนหายไปเยอะเลยมีค mm ําถามอีกไหมครังั้นถ้าไม่มีเราจะร่วมถวายพยานากับพระอาจารย์ด้วยมครัมีท่านใดเตรียมจะถวายเชิญได้เลยไหมครับ Hey!